و ่ أ ฉันว่าอันมุฮัมมั عبد ุเขาและรัศดุลเขาอามะเบต์ฟังนะขีเรลขีเรล ل ีเ ي ลขีเรลขีเรลขี ه รลขีเร ل ขีเรลขีเรลขีเร ه ขีเรลขีเรลขีเร ك م ีเรลข ل เรลข ك เรล ل ل ه รลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเรลขีเ ร ب บบ ظلمنا أنفسنا و إ ل م ت ق ر ل ن ا ودرخمنا لنكونن من الخاسرين ر بنا إننا آمنا فكتبنا مع الشاهدين ر بنا هئ لنا من أمرنا راشدة اللهم ح ب ب إلينا إيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر و ا ن ف و, ن ن ر ر نا نا ف و ق وانعسان وجعلنا من الراشدين ส alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. อาฮเลนแะซาฮเลนขอต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับหวังว่าลอมาฮตาลาได้ต้อนรับพวกเราเข้าสู่ ช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งช่วงเวลาของเดือนอปวรช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความดีบราริกะความจำเรินนะครับอันมากมายแล้วก็วันนี้เรามานั่งอยู่ในมัสยิดและเราจะร่วมกันศึกษาอายัดของอัลลอฮมะฮัลาอันเป็นหนึ่งใน งานนะครับจะเรียกว่ากิจกรรมก็มันเบาเกินไปเป็นหนึ่งในมุหิมนะครับเป็นภารกิจเป็นหน้าที่ของเราในการศึกษาคำพีของอัลลอฮามะฮตะลาการศึกษาคำพีของอัลลอฮามะฮตะลาให้ถือเป็นเรื่องปกติของเรา ไม่ใช่เรื่องพิเศษไม่ใช่หลักสูตรพิเศษแต่หลักสูตรจริงๆของเราก็คือการศึกษาอันกุรานะครับวิชาอื่นที่เราเรียนทั้งหมดก็เพื่อที่จะขยายให้เราได้เข้าใจอันกุรนมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันหนึ่งวันใดที่เรากลับมาเรียนอันกุรนโดยตรงก็ถือว่านะครับเรากำลังเรียนวิชาที่เป็นวิชาแม่ เป็นวิชาที่เป็นวิชาแกนแกนกลางหลักสูตรแกนกลางนะครับแกนกลางของเราแล้วก็แกนของเราก็คืออันกุรอานนะครับและช่วงเวลาที่เรากําลังศึกษาอันกุรอานในวันนี้เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนอันเป็นช่วงเวลาที่ประจวรเหมาะกับว่าอัลลอฮฺสวาฮ์บัลลาห์นั้นได้เลือกรอมฎอน ครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุฮะตะลาประทานอันกุรอานลงมาชัรุรู ر م ض นันทีอุนซิลฟีหินกุรอานนะครับชัดเจนว่าอัลลอฮฺสุลฮะตะลาได้เลือกเดือนที่ดีที่สุดเดือนที่ดีที่สุดในภาวะที่เบาของพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์มากที่สุด ในการประทานสิ่งที่ดีที่สุดเดือนที่ดีที่สุดแล้วก็ภาวะที่เบาวของอัลลอฮฺสุวาห์ต阿拉ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุวาห์ตลามากที่สุดอัลลอหฺสุวาหตลาเลือกประทานสิ่งที่ดีที่สุดประจวบเหมาะกัะทั้งสิน้นเพราะว่าอัลลอฮฺสุวาห์ตลาประทานอันกุรา น, นั้นต้องการที่จะให้เป็นทางนำ ชาโรวรบาดานั่นแหละที่อุนซิลฟีหินคุรอานอุดันลินนัสต้องการที่จะให้เป็นทางนำคนที่จะยึดอัลกุรอานเป็นทางนำคือคนที่หัวใจสะอาดหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอฮฺสุบฮัดละลาไม่ใช่คนที่ถูกบังคับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ คนที่จะได้รับทางนาจากอัลลอฮฺมะฮ์ตาลาคือคนที่หัวใจสะอาดหัวใจมุ่งมั่นหัวใจแสวงหานะครับตั้งใจไม่ใช่ถูกบังคับนั่นแหละผู้นั้นแหละที่จะได้รับทางนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่บังคับคนให้ปฏิบัติอิสลามไม่เอา ถ้าเราทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดการงานด้วยการว่าถูกบังคับจาไว้เลยว่าถ้าในใจเราว่าที่ฉันทําเนี่ยเพราะถูกบังคับถูกบังคับให้ถือสิโนดถูกบังคับให้ละหมาดถูกบังคับให้เรียนถูกบังคับให้ทําโน่นทํานี่ถ้าเรานึกอยู่อย่างนี้ว่าที่ฉันทําเพราะฉันถูกบังคับถ้าฉันไม่ถูกบังคับฉันไม่ทาจาไว้เลยครับว่าการงานนี้ มีค่าเท่ากับ x เท่ากับ0ูน x หมายถึงอะไรครับหมายถึงการงานการงานแบบไหนบอกไปแล้วว่าในจิตใจเราเพราะว่าที่ถือบวดวันนี้เพราะถูกบังคับที่มานั่งเรียนวันนี้เพราะถูกบังคับถ้าไม่ถูกบังคับจะไปทำอย่างอื่น เราจะได้เท่ากับศูนย์ไม่มีความหมายวันนี้เบื้องหน้าเรามีสุรอีกสุรอหนึ่งของอัลกุรอานซึ่งเป็นสุรอัลคัมดุลิลล่าเป็นสุรที่เป็นชื่อหนึ่งของอัลกุรอานลองนึกดูสิครับว่าอัลกุรอานมีชื่อว่าอย่างไรบ้าง เราจำแต่จาแต่ชื่อสิ่งอื่นเราจำแต่สูตรโน้นสูตรนี่สมการนั่นสมการนี่ที่เราเรียนคำนวณลองนึกดูสิว่าอันกุรานมีชื่ออะไรบ้างที่เป็นชื่อของอันกุรานถ้าเราไม่รู้ในวันนี้เราจะรู้ชื่อหนึ่งซึ่งมีความหมายที่สำคัญมากสูร อ, อะไรครับ سورة الفرقان. เปิ ب ไปเลย كاب سورة الفرقان. م ؤ م ن و ن 23. ل ن و ر 24. الفرقان. 25. الشعراء. ยีเป็นส ah ุราที al al ่ย ah um ah ี่สิของอัลกุรอานอัลฟุรกอนในสรา this เราเคยได้ยินอายะที่อิบารุลรัชมานอิบารุลรัชมานแะอิบารุลรัมานนยมชูนออนาาุมนาฮิลูนกาลลมะ นะครับอยู่ในสุรนนี้เหมือนกันุรนี้มีซาญดอยู่ด้วยก่อนหน้าจะถึงอายะนะครับก่อนหน้าที่จะถึงอายะอบาุรรมนนะครับจะมีซาญดอยู่ด้วยให้สุญติลาวะุรฟุรอุมูรนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นสุร์มกีะ สรุรอมักเกียคงไม่ต้องทวนนะครับอาจารย์อธิบายหลายครั้งแล้วสรุรอมักเกียบอกเพียงสั้นๆว่าก็คือสุร์หรือคืออายะที่ถูกประทานลงมาที่นครมาดีนะหรือหลังจากการอุปยพของท่า น, นา อ, าอับดุลเลาะห์อะเลสแลมอ่าไม่ใช่ครับ <c oughs> คนละคนละนั้นสุร์ที่ถูกประทานลงมาที่นครมักกะก่อนการอุปยพของท่า น, นาอับดุลเลอะห์หัวอะเลสแลมถ้าเป็นมาดานียะ ก็คือสุรทิที่ถูกประทานที่นครมดีนะหรือหลังจากการอุพยพของท่านนาบีสโลัลอัวอะเลออุสลมเราจะดูเป็นมุขกอนดีไหมเป็นบท น, นำก็ได้นะครับสุรหอนี้มีกี่อายะครับเปิดไปท้ายสุดเลยมีกี่อายะ 70 77ข้อสุรษะนี้มี77ข้อเราจะเริ่มต้นวันนี้ซึ่งน่าจะได้เพียงข้อเดียวอินชาอัลล์ก็คือข้อแรกบอุบิลละฮินชัยนรรมแต่อาจารย์จะอ่านนำให้พวกเราอ่านตามนะครับสักสามข้อ Yang ayat di 1-3. Audzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبَرَكَ َ الَّذِينَ ز َّ ل َ ل َ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الذي له م ا ل س م ا ت والأرض ولم ول يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وَلَمْ ي َ ك ُ ل ه ُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا وَالتَّخَذُوا مِن อื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่นอื่น่ออ่ ولا نفعوا ولا يملكون موتا ولا ق ي ا ث ولا نجورا อายรักท ah al ี่ بارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الله อายะที่นี้ใหญ่มากมีหลายเรื่องราวมีหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับอายะนี้ตั้งแต่คาแรก จนไปกระทั่งถึงคําสุดท้ายคําในอันกราร์ละถ้าเราได้ศึกษาความหมายคําหนึ่งใช้ประโยชน์ได้กับหลายหลายอายะหลายหลายสุระนะครับจะได้เข้าใจนะครับเข้าใจคําอันกราร์ละคำในอันกราร์ละมีความหมายที่เป็นเฉพความหมายที่เฉพาะบางคําไม่มีใช้ นอกจากกับอัลลอฮฺ س ب ح ละเท่านั้นไม่ใช่กับผู้อื่นนอกจากกับอัลลอฮฺ س ب ح ละเท่านั้นเพราะผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ในสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในคำนั้นเช่นคำคานี้คำว่าตบารกคำว่าตบารก นักพิชาการมุฟสิร์มุฟสิรุนได้อธิบายคํานี้ไว้คํานี้มีสี่นัยยะด้วยกันมีสี่ความหมายด้วยกันนะครับความหมายแรกคําว่าตาบารักมาจากคําว่าบารักะบารักะแปลว่าอะไรครับบารักะ แปลว่าจำเริญเจริญความมีสิริมงคลนะครับมีบรารักะเวลาเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมีบรารักะนะครับถ้าเป็นต้นไม้นะถ้าปลูกต้นไม้เนี่ยนะบารากะของมันก็คือปลูกแล้วนะครับมันงอกงามหลังจากนั้นมันให้ดอกให้ผลตามฤดูกาล นะครับให้ร่มเงาแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวเนี่ยต้นไม้นี่มีบรารักะเราทําสิ่งหนึ่งก็เหมือนกันเวลาเรียนหนังสือเรียนแล้วมีบารักะโอ้เรียนแล้เข้าใจเรียนหนังสือแล้วเข้าใจนะครับเข้าใจนะเข้าใจเองสามารถบอกคนอื่นได้แล้วก็จากวิชาความรู้นี่เราได้รับประโยชน์มากเลยนะครับ ไปเรียนตรงโน้นก็ใช้วิชานี้แหละเป็นฐานสําคัญเรียนที่โรงเรียนหัตถใหญ่เวก า, านี่เป็นบรรคการจริงๆเลยถ้าสมมติเป็นวรรคการไปที่อื่นมหาศาลอราเราได้รับความสะดวกอ๋อตรงนั้นก็ผ่านหัตใหญ่เวก า, ารมาแล้วตรงนี้ก็ผ่านหัดใหญ่เวยารมาแล้วตรงนี้เออสัตว์หัตใหญ่เวก า, ารเคยสอนนั่นเอแสดงว่ามีบรรคการจบออกไปนะครับได้ทํางานได้รับใช้ออสังคม ทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ๋อสิ่งนี้คือสิ่งที่โรงเรียนได้เคยสอนไว้อ๋นนี้มีบรารักาตังค์พ่อแม่ให้มานะครับซื้อนะครับใช้จ่ายในสิ่งที่ฮารานทำให้มันงอกเลยส่งผลให้เราเรียนดีนะครับใช้จ่ายกินดีขอบคุณอัลลอฮมะฮตะลาเวลาจะกินอาหารเข้าไปในปาก บิสม ah, ิลลาห์เงินนี้ของนี้ดีไหมของนี้ดีหาล้านไหมหาล้านนะครับเงินที่พ่อแม่หามานะครับดูอากับอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลาบอกว่าให้เงินนี้ที่เราใช้นี้ใช้ในการเรียนนี้ใช้กินอาหารนี้มีให้มีบาระก้าบาระก้านี้มาจากไหนคําว่าบาระก้านี้มีที่เดียวเท่านั้นที่ที่เป็นที่มาของบาระก้าไม่มีจากที่อื่นจําไว้ดีมีจากที่เดียวจากเท่านั้นก็คือว่าท่าบารากัะลอจากอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตัลลา ที่บอกว่าโตครูมีบารักาจริงๆแล้วโตคูไม่มีบารักาหรอกแต่ว่าด้วยความต่ออาตต่อรสวาหัตลาสมมติไม่ใช่อาจารย์นะอาจารย์อาจจะไม่ใช่คนที่ต่ออาตต่อรสวาหัตลาบอกว่าโตคูนี้มีบารักาก็ให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามีบารักาขอบารักานหน่อยก็คือว่าเขาเป็นคนต่ออาตต่อรสวาหัตลาเวลาเราไปทําดีกับเขาเขาขอดูอาให้กับเราอัลลอฮ์รับดูอานั้น เพราะเขาเป็นตอคนตออาตต่อลอสมาฮาดะละอย่างตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่นะตายแล้วไม่เอาแล้วไม่มีบาราก้าแล้วตายแล้วไม่เอาแล้วจเจ้าจากบารากัาจากน บ, บีก็ไม่ได้จากซาราบะก็ไม่ได้จากใครก็ไม่ได้ทั้งสิน้นเป็นชิริกอย่านี้ไม่ใช่วาบีนะไม่ใช่วาบีนี่หลักอิสลามเลยจะเอาบาราก้าจากคนตายไม่ได้จากคนที่ตายไปแล้วแม้จะเป็นนบี เยอะเลยไปไปที่มัดีนะที่ไปโบนาบีเนี่ยนะทําไห้กั้นไว้ก็จะไปรูปแล้วก็เอามารูปหน้าจะเอาบัตรกันไอ้รูปไปที่ที่เขากั้นไว้อะนะจะเอาบาัตรกะเอาไปที่กะบา้าก็รูปกะบ้าครับรูปกะบ้าแล้วก็เอามาเช็ดหน้าเอาผ้าไปถูถูถูถูถูถถนะแล้วก็เอาผ้าพากลับบ้านไปซักแล้วก็กินน้ํา นะไปใส่น้ำอ่ะบารักะไม่มีบารักะนอกจากอัลลอ์จากอัลลอ์มาตาลาแต่ตาอัลล์าตาลาบอกว่าให้ทาตรงนี้จะได้รับความบารักะทาสิ่งใดนั่นแหละถึงจะมีบารักะนี่จากคาว่าบารกะตาบารกลอแล้วบารักะนี้ไม่ใช่บารักะนิดๆนะตาบารกลอเนี่ยเป็นมุบ้าละก็มุบละก็แปลว่า เป็นพรนนาเป็นหมายถึงว่ามากมายความจำเริญนั้นมากมายความจำเริญทั้งหลายทั้งอวงนี่มาจากอัลลอฮฺสุลฮะตลลาเท่านั้นบาระกาที่อัลลอฮฺสุลฮะตลาจะให้ในานา้าหยดหนึ่งนะครับจาก น, านา้าหยดหนึ่งได้กลายเป็นชีวิต ชีวิตที่มีวรากาอัลลอฮฺสุลามานตะลาสร้างชีวิตสร้างชีวิตเราเนี่ยจากน้ำเพียงหยดเดียวหยดหนึ่งที่มองไม่เห็นนะครับแล้วก็เป็นชีวิตต้าว่าชีวิตนี้เติบโตขึ้นมามีความจำเริญมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยทาอะไรได้สุมาห์เราก็ทําทอะไรได้เยอะแยะมากมายจากน้ําหยดเดียวถ้าเป็นมเมล็ดพืชกับเมล็ดเล็กๆปลูกลงไปแล้วมันเติบโตใหญ่โตแผ่กิ่งก้านสาขามองไม่เห็นเราเห็นที่ไหน บาราก้าเอาลอสวาฮาตาลาให้จเจริญเติบโตนะครับได้รับความเจริญเริญ เ, เติบโตถ้าเป็นต้นไม้ได้รับปุ๋ยที่ดีได้รับอะไรต่างๆอากาศที่ดีมันก็จะเติบโตเช่นเดียวกันคนเราถ้าอยู่ในทางน้ำของอลอสวาฮาตาลาก็จะเติบโตมีบาราก้าเอาสิ่งที่เอาลอสวาฮาตาลาให้มาใช้ทําให้ชีวิตนั้นมีบาราก้าทุกๆเรื่องจากตรงนี้ตาบารากันลยดีอะ ไม่ได้กล่าวถึงนามของอัลลอฮสัมบฮต阿拉แต่ไปกล่าวถึงกล่าวถึงการประทานอักุราเยังยังไม่ถึงเรายังคงอยู่ในคำว่าบารกะกะความหมายแรกนะครับ <c oughs> นนหนึ่งหายไปไหน เน้ Allah SWT นั้นถ้าจะทําอะไรให้มีบาระฆะทำของ Allah SWT ตามตามตามตามที่อ Allah า w าใช้นอนให้มีบาระฆะนอนยังไงกินให้มีบาระฆะกินยังไงแต่งตัวให้มีบาระฆะแต่งตัวยังไงใช้ชีวิตให้มีบาระฆะนะครับทํำยังไงนะครับทําการงานให้มีบาระฆะทํำยังไงถ้าทางานแล้วรวยแล้วไม่จ่ายสกาดมีบาระกะไหมไม่มีครับ นะมีแต่ไหนะมีแต่ความล่มจมไม่ล่มจมในดุนยาก็ล่มจมในอาคีรอบราระกะมาจากอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเท่านั้นมาจากอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเท่านั้นดังนั้นการงานใดก็ตามแต่ว่าจะพูดว่ามีบราระกะหรือไม่มีบราระกะเราไปเจอคนรวยโอ้โหมีบราระกะหริงจริ ง, รงต้องดูด้วยว่าเขาละหมาดหรือเปล่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะบอกว่ามีบราระกะนะครับ ถ้าเขาอยู่ในส่นทางของอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาและเขาประสบความสําเร็จในชีวิตก็ถือเป็นบราระคาแต่ถ้าหากว่าเขา ต, อต่ออัลลอฮฺมะฮ์ตะลาแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่มีบราระคาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ชมีไม่มีบราระคาแต่อัลลอฮฺมะฮ์ตะลาทดสอบเขานะเข้าใจนะบราระคานะครับมาจากอัลลอฮฺมะฮ์ตะลาเพียงผู้เดียวความหมายที่สอง อันทับารักอัตทบารักวิมานอัตาอาลาสูงส่งมีความหมายเท่ากับคําว่าตาอัลาอัลลอฮฺตาอัลาแปลว่าสูงส่งสูงสุดคําว่าสูงส่งนี้ไม่ใช่สูงส่งนะครับสูงส่งธรรมดาแต่สูงสุดแต่เราพูดกับมนุษย์เรามนุษย์เวสูงส่งนะครับเป็นคนที่มีความสูงส่งไม่ใช่แต่สําหรับอัลลอฮฺมาฮฺตาลาตาอัลานี่ก็คือว่าสูงส่งของอัลลอฮฺมาฮฺตาลาเหนือมักลูกทั้งปวง Allah swt นะเอื้ออาลลอฮอร์ชนะครับ Allah swt ทรงประทัดเหนือบัลลังก์ของพระองค์ Allah swt แต่อาลาอูลูเป็นสิฟัสของ Allah swt สูงส่งนะครับจากมัคลูั้งปวง Allah swt สูงสูงสูงสุดเป็นผู้ทรงสูงสุดต่อาลาบิมานะต่อาลาความหมายที่สามครับ ความหมายที่ศบิมานาบิอิ س มิฮิยุตับรักยุตับรักในทุกๆเร่งการกล่าวนามของอัลลอฮฺสวาห์ตะลานี่จะนามาเวลาเราจะขอบาริกานี่ด้วยการกล่าวนามของอัลลอฮฺสวาหะตะลาบิสมิลลาการงานที่ดีงามทั้งหมดท่านอับดุลลอฮฺและศาฮบบีให้เราเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาฮิราะห์มานีราะหิมถ้าไม่จาดูอะนะครับแต่ปกติก็จะมีการงานว่าจะเริ่มต้นทาอะไรนี่มีดูอา นะครับบางการงานนะครับถ้าหากเราไม่จําดวงทาไงบิสมิลลาบางการงานดวอายหงข้าวมีไหมไม่มีแต่เริ่มต้นแ บ, บีสอร์เลยซามบวกบอกรวมๆ ว, ว่านะครับการงานที่นะดีงานทั้งหลายถ้าไม่เริ่มต้นด้วยนามของอัลลอฮฺรรมะฮ์ตะลาเป็นงานการงานที่แหว่งเป็นการงานที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้น การงานเริ่มต้นนาให้เราเริ่มต้นด้วยนามของอัลลฮะฮตะลาบิสมิลลานี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้รับบาร akah ในการงานหนึ่งการงานใดนะครับบิสมิลลาความหมายที่สอันนันมาตบารักตัดดตบารัก มีความหมายว่าตะกัดดศาหมายถึงสะอาดและบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์พองแผ้วไม่มีมลทินไม่มีข้อบกพร่องไม่มีนะครับไม่มีสิ่งที่ไม่พึประสงค์ใดๆนะครับอรรถศาสาตร์ตาลาสะอาดบริสุทธิ์จากภาคีจากสิ่งที่ไม่คู่ควรทั้งหลายอรรถศาสาตร์ตาลาสะอาดพองแผ้วตะกัดดสตาบะคำนะมีความหมายรงกับ คำว่าตะบารกเช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสรุปได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าตบารกเกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺมหะตะลาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบารากะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดผ่องแผ้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับความสูงส่งนะครับความสูงสุด ตบารักดังนั้นคำคำนี้ที่เริ่มต้นในสุโรหน์นี้เป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ประกาศเกียรติคุณของอัลลอฮฺสุฮาห์ตลาประกาศความจําเริญความยิ่งใหญ่ความสะอาดบริสุทธิ์นะครับความสูงส่งของอัลลอฮฺสุฮาห์ต阿拉ไหนละอัลลอฮฺสุฮาห์ต阿拉อยู่ไหนในอายะนี้ไม่มีคําว่าอัลลอฮ แต่คําที่หมายถึงอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตะลาอยู่ในคําว่าอัลลอีนับดั่ลันฟุรุกอนอัลลอีผู้ซึ่งตาบารักนะครับมหาจําเริญยิ่งบารกะคาอันมากมายหรือความสะอาดสูงส่งความบริสุทธิ์สูงส่งทรงมี ขอจงมีขอทรงมีแต่เทรงมีแด่ผู้ที่คําว่าตอัลลอฮดีนะครับผู้ที่ถ้าเป็นบุคคลเดียวเราใช้อัลลอฮดีถ้าเป็นหลายคนอัลลอฮดีนถ้าเป็นผู้เพศ ช, ชายนะครับถ้าเป็นผู้เพศหญิงก็อัลลอฮีนะครับอัลลอฮีนอัลลอฮ์สุวาห์ตัลละนะครับผู้ซึ่งนัสซัลลัลฟุรุกอัน al คำว่านัสซัลัลฟุรุกอันอันฟุรุกอน หมายถึงอันกุรานแต่เราขอไปดูความหมายของอันฟุรกรแม้ว่าโดยรวมแล้วอัน อ, อันฟุรกรจะหมายถึงอันกุรานแต่อันฟุรคอนตามความหมายหมายถึงอะไรครับหมายถึงที่จําแนกแยกแยะระวางใบหนัหก คือวัลบาติลระหว่างศัจธรรมกับความมดเท็ดระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะกลับมาคำนี้มาดูคำว่านัณสละคำว่านัณสละนะครับดันซีนหมายถึงการประทานลงมาแต่ในยะหรือความหมายที่แฝงอยู่ในคำว่านัณสละ หมายถึงการประทานลงมาไม่ใช่ลงมาทั้งเล่มทีเดียวแต่ลงมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับตามอะไรครับตามเหตุการณ์บ้างตามความจำเป็นบ้างจนกระทั่งอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากวันแรกห้าอายะหลังจากนั้นสามอายะบ้างหลังจากนั้นหนึ่งอายะบ้างหลังจากนั้นอาจจะมากกว่านั้นนะครับ ประทานลงมาเรื่อยๆตามเหตุการณ์ต่างๆนบีอยู่ตรงนั้นนบีเจอกับเหตุการณ์ตรงนั้นบรรดาสอสาวเจอปัญหาอย่างนี้นะครับนะในเรื่องต่างๆในชีวิตที่ครอบคุมของพวกเขาเจอปัญหาต่างๆอันกราลงมานะครับที่เราเรียกว่าอันกราที่ลงมาตามเหตุการณ์หรือไม่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้นเราเรียกว่าสับอันนุซูล สาเหตุที่อัลลอฮฺสวาตัลลาประทานอายะหนึ่งอายะใดลงมานะครับก็จะเป็นวิชาหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับอันกุรารเรียกว่าเรียกว่าเป็นเรื่องของอสบบัส์บะบุนูซุนนะครับก็คือสาเหตุที่อัลลอฮฺสวาตัลลาประทานอันกรารลงมาประทานลงมาภายในระยะเวลาประมาณ23ปีนะครับไม่ถึง23จริงๆแล้วไม่ถึง23ประมาณ22ปีเสร็จนะครับอันกรารประทานประทานลงมายังไง ทยอยประทานลงมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ปิดท้ายด้วยอายะที่ว่าอัลยูมาอักมันตุละคุมดีนะคุมวะอตมัมตุอัลเลกุมนะเนาะมัตีวรอีตุละคุมุนอิสลามดีนานะครับอัลลอฮฺสุลต่านประทานลงมานี่คําว่าตันซีนทําไมประทานตันซีนครับทําไม ทำไมอโลสวาหัตลาประทานลงมาทีละเล็กทีละน้อยเข้าใจง่ายๆนี่เป็นฟิตร้อของมนุษย์เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติในมรคลูกของอโลสวาหัตลาทั้งหมดอันกรานไม่ใช่มรคลูกนะครับแต่จะยกตัวอย่างว่าสิ่งที่อโลสวาหัตลาสร้างทั้งหมดเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปเช่นอโลสวาหัตลาสร้างมนุษย์ นะครับกว่าจะมาเป็นนะกว่าจะมาเป็นคนกว่าจะออกมาจากคันของมารดาเนี่ยผ่านกี่ขั้นตอนครับหลายขั้นตอนมากจากน้ําหยดนึงที่อาจารย์บอกแล้วก็ผสมกับเชือกของมารดาเชื้อก อ, อะไรครับไข่ของมารดาแล้วอยู่ในมดลูกแล้วก็เจริญเติบโตมีขั้นช่วงเท่านั้นกี่สัปดาห์สัปดาห์ามีอะไรจน ก, กระทั่งว่ามีอวัยวะนะครับสามารถที่จะแยกนะ สาวก็ไปสามารถที่จะรู้จักเพศได้ในช่วงไหนช่วงไหนนะที่มีหูมีตามีอวัยวะนะครับแล้วก็คลอดออกมากว่าจะมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็โตขึ้นมาอะไรครับคลอดออกมาก็ยังเดินไม่แย่อยังแบเบาะยังกินอาหารเองไม่ได้นะครับอลัอลลอฮฺสวาห์ตาลาให้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเช่นเดียวกับต้นไม้เช่นเดียวกับอะไรต่างๆนะครับที่อลัลลอฮฺสวาห์ตาลาได้สร้างอย่างเป็นขั้นตอนกว่าจะไปถึงสมบูรณ์ อันนี้ที่เกี่ยวข้องกับมักลุกที่อรรถสมาตาได้สร้างในส่วนของมนุษย์อันกุรานเป็นคมภีร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ต้องการให้การศึกษากับมนุษย์ต้องการที่จะพัฒนามนุษย์เป็นไปไม่ได้ที่อันกุรานจะพัฒนามนุษย์ลงมาปุ๊บจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยลงมาทั้งเล่มเลยนะครับทีเดียวแ น, น่แนวที่สุดเวลานี้อันกุรานก็มีอยู่ทั้งหมดแล้ว แต่ว่าโดยขั้นตอนที่อโลสพาฮาตาลาประธานอักุรานนั้นอลสพาฮาตาลาประธานทีละอายะสองอายะนะครับสามอายะหรือห้าอายะหรือมากกว่านั้นก็สุดแล้วแต่เหตุการณ์ที่เลาที่เราได้ทราบในประวัติศาสตร์ทำไมครับอันนี้เป็นกระบวนการของการตะรบียการหล่อหลอมการสร้างการพัฒนาคนเช่นที่มนุษย์ได้ใช้ ตั้งแต่หลักสูตรอนุบาลนะครับเราจะเห็นนะครับถ้าใครมีลูกมีหลานหรือมีน้องไปโรงเรียนหรือตอนที่เราไปโรงเรียนเนี่ยครับถ้าใครเก็บหนังสือไว้นะครับหนังสือตอนชั้นอนุบาลนะครับไปดูว่าเขาให้ทําอะไรแล้วก็ลายมือของเราบางคนเก็บนะครับดีจะได้ดูว่าตัวเองแต่ก่อนเนี่ยสมบูหานอัลลอฮ์นะครับเขียน ตัวกไก่ครึ่งหน้ากระดาษนะเขียนไม่ได้จะลากเส้นก็ไม่ได้จะลากเส้นก็ไม่ได้ต้องทํารอยปละทํารอยปราแล้วก็ยังลากไม่ได้นะครับนี่ตัวขนาดนี้พอให้ดินสอก็ทําอย่างเดียวก็คือหมุนหมุนหมุนมุนหมุนหมุนหมุนนะครับเป็นวงกลมอย่างเดียวอย่างอื่นทําไม่ได้อันนี้พัฒนาการของมนุษย์เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสวาห์ตละสอนมนุษย์อัลลอฮฺสวาห์ตละสร้างมนุษย์มาและรู้ว่าจะพัฒนามนุษย์อย่างไร จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดังนั้นอันกรานจึงสําคัญมากในการตรบีญาในการหล่อหลอมคนนะครับว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนไปเสร็จที่ไหนอันถามว่าอันกุรานสอนเรื่องกฎหมายก่อนไหมระหว่างมักกะมักกะกับม ด, ดี น, นี่แตกต่างกันยังไงหนึ่งในความแตกต่าง ก, ก็คือว่าที่นครมักกะไม่มีอายะที่เกี่ยวกับอักกามเกี่ยวกับกฎหมายน้อยมาก แต่อายที่เกี่ยวกับอา ก, กามนี่ไปลงที่มาดีนะทำไมเพราะคนที่จะไปเวิบตตามกฎหมายได้นั้นอิสลามอาศัยฐานจากความศรัทธาถึงจะปฏิบัติตามฐานจากอิมานอ ي มา ن ที่ยอมรับนะในกฎเกณฑ์ในกฎหมายแต่ถ้าใช้กฎหมายบังคับเราก็จะได้คนที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ไม่ได้คนที่ศรัทธา โรงเรียนเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีการตะรบียเราก็จะได้ถ้าใช้กฎเกณฑ์บังคับนะครั บ, รบโอ้เข้มมากเลยโรงเรียนนี้โรงเรียนนั้นโรงเรียนโรงเรียนนี่เข้มมากเลยเนียบเลยยกนิ้วอย่างนี้เขาเข้มมากแล้วบางทีเราก็ไปดูตัวอย่างด้วยว่าโอ้สุดยอดเราก็จะเอามาทําบ้างเอาโน่นบังคับนี่ บ, บังคับทุกอย่างเลย บ, บังคับทุกอย่างเลย แต่งกายเรียบร้อยเพิบเพิบอยู่ในวินัยทั้งหมดแต่ใจหารู้ไม่ว่าใจเนี่ยเป็นยังไงใจไม่ยอมรับจบออกไปแล้วยังเป็นยังไงคนนะคนคนที่จบด้วยประการบังคับเนี่ยถูกบังคับเนี่ยครับน่วยจิตใจเขาไม่พร้อมเนี่ยครับเป็นยังไงอ๋อสมมติว่าโรงเรียนนี่บังคับไม่บอกว่าที่บังคับด้วยไม่บอกไม่บอกเหตุบอกผลบังคับให้นักเรียนละหมาดโอ้ละหมาดห้าเวลา กลับบ้านไม่เหลือสักเวลาหนึ่งอัลมุสลิมะให้ฮิ j า b <c oughs> เค้มมี jab แข็งขัดมากเเราไม่เคยอธิบายให้เด็กว่ามันสาคัญยังไงเรื่องของฮิ j าบเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความหมายยังไงคุณค่ามันอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนไม่ได้รับรู้เรื่องของคุณค่าของฮิ j าบออกจากโรงเรียนปั๊บไม่เหลือเลยครับเหลือแต่เดฟเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้ นุ่งเอแกขาสั้นยังมีเลยเอาเรื่องเพศเรื่องเพศถ้าไม่บอกว่ามันมันเสียหายยังไงมันเลวร้ายยังไงนะครับมุสลิมจะต้องระ ม, มัดระวังเรื่องเหล่านี้ยังไงนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญในอิสลามมากเรื่องศีนาเรื่องอะไรต่างสังคมระหว่างเพศชายเพศหญิงมันเละเทะมันหมดแล้วสังคมนี้เราจะไปปฏิบัติตามไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ชี้แจงเราแยกได้ที่นี่ แต่พอออกจากโรงเรียนนักเรียนกวงแขนกันมีไหมเราเรามีไหมน่าจะมีอยู่บ้างเขาเรียกว่าไม่มีตรารเบียเราไม่ได้หล่อหลอมนะครับดังนั้นกลไกสาคัญนะครับที่เป็นหัวใจของโรงเรียนนี้คือทําอย่างไรเราจะให้ให้นักเรียนได้รับทราบว่าสิ่งที่สอนเนี่ยมันมีความหมายอย่างไร นะครับสิ่งที่สอนนี่มีความหมายมีคุณค่าอย่างไรนะครับต่อชีวิตของเราถ้าเรารับด้วยความเต็มใจสิ่งเหล่านี้เธอจะไปอยู่ตรงไหนจะไปอยู่มุมไหนจะไปแข่งกีฬาที่ไหนจะไปโอลิมปุงอลิมปิกจะไปที่ไหนได้เวลาละหมาดเธอละหมาดไม่เกี่ยวนะครับจะอยู่ในชุดนะครับจะอยู่ในชุดไหนก็ตามแต่ถ้าร่างกายสะอาดพร้อมละหมาดนะครับ ก็จะบอกคนอื่นให้ละหมาดด้วยเพราะเรามีจิตสํานึกอันกุรานก็เช่นเดียวกันทําไมลงเรื่องกฎหมายมาทีหลังก็เพราะว่าได้หลอล้อมจิตใจที่จะให้เพราเรื่องกฎหมายนี่ธรรมดานะครับเพราะบอกพ่ออลอสมายาเอาลลาดีนาอาแมานูเนี่ยผมสร้างมาแล้วไงพอบอกยาเอาลลาดีนาอาแนะมานูเนี่ยพร้อมแล้วที่จะปฏิบัตินะครับรับฟังเข้าแถวแล้วแต่เป็นทหารนี่หมายถึงว่าญาเอาลลาดีนาอาแมานูเหมือนกับนกหวีดเลยพร้อมพลึบ รอฟังคําสั่งอย่างเดียวอุลามะบอกว่าชายะอันละดีนาอามานูเนี่ยนะต้องสดับฟังฟังดูว่าลอสราตลาจะใช้อะไรจะห้ามหรือว่าจะจะใช้ให้ทําอะไรพร้อมที่จะปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรให่เอันละดีนาอามานูกุติบะอะไรกุมเสียมนี่อิมานก่อนหน้านี้มีไหมมีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าจับคนไม่รู้จักไหนบอกให้ถือสินอดเนี่ยรับรองครับ นะรับรองไงพ <c oughs> อรับหลังแล้วก็กินน้ำบ้างกินมาม่าบ้างปีนี้มีต้มมาม่าบ่าคุหอพักนี่เรื่องปกตินะยังไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องซีเรียสเรื่องเรื่องที่ว่าเราไม่ได้รับการหล่อล้อมมามันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละเอา้าก็ต้องมาบอกว่าอย่าต้มมาม่านะลูกเราถือสิรินี่เป็นการฝึกฝนเราผลที่จะได้อะไรต่างๆก็ต้องครูก็ต้องแนะนำครูก็ต้องบอก ถ้าจะจับเด็กต้นมาม่ามาลงโทษนะครับนะก็อาจจะได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันอะไรครับมันไม่ได้การตรีอ่ะไงถ้าจับคนทาผิดโดยไม่รู้ว่าเขาเขาเข้าใจเรื่องนี้หรือเปล่ามาทุบมาตีมาลงโทษมันก็จะไม่ได้การตรีเขาเรียกว่าตะชัดดุดใช้กฎกฎหมายเนี่ยบังคับเพราะฉะนั้น ด้วยฮิกม่าของอัลลอฮฺสวาฮ์ตัลลาหประทานนั้นกราลงมาทีละอิยะสองอิยะอย่าให้มันหนักอย่าให้มันหนักตามเหตุการณ์ตามความจําเป็นเช่นอิกราะห์ก็ให้เริ่มต้นจากฐานจากการอ่านจากความเข้าใจรู้จักอัลลอฮฺสวาฮฺตัลลาว่าเป็นยังไงก่อนที่อัลลอฮฺสวาฮฺตัลลาจะบัญชาก็แนะนําพระองค์ก่อนให้รู้จักว่าพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนัสซัลัลกุรนันนัสซัลัลฟุรุกอัลลอฮฺสวาฮฺตัลลาประทานลงมาทีละเล็กทีลน้อยเอ้าวจำไว้ให้ดีคําว่าตันนคําาว่ัล หมายถึงการประทานที่อัลลอฮฺสวลตาราประทานอัลกุรอานลงมาทีละเล็กทีละน้อยอายะห์สองอายะห์สามอายะห์สอายะห์หอายะห์นะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามสถานการณ์บ้างตามความจําเป็นบ้างตามเหตุการณ์บ้างตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺสวลตาราบ้างเพื่อที่จะให้การอะไรครับการพัฒนาการตารเบียะนะครับอินทานตารเบียมนุษย์นั้นบรรลุผล ครับแม้ว่าอัลกุรอานจะมีอยู่สมบูรณ์แล้วนะครับแต่ว่าอัลลอฮามะฮ์ตาลาจะเอาให้ลงมาลงมาอย่างมนุษย์นั้นอัลลอฮฺมะฮ์ตาลาให้มานะครับทีละเล็กทีละน้อย <c oughs> ตกลงว่าเราก็เรียนทีละชั้นใช่ไหมเราเรียนทีละชั้นมหนึ่งไล่ไปมสองถ้ารวบหลักสูตรทั้งหมดเรียนปีเดียวได้ไหม เขาเรียกหลักสูตรเร่งเร่งรัดเรียกว่ากศนอคนที่เรียนกศออนอกับคนที่เรียนผ่านชั้นงี้ใครความรู้แน่นกว่าครับคนที่เรียนผ่านชั้นแน่นกว่าเพราะฉะนั้นอิสลามก็อย่าเป็นแบบอิสลามกศนอก็แล้วกันนะครับรวบรัดได้เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพไม่มีนะครับ การหล่อหลอมการตะเวียเอให้ยืนหน่อยครูให้ให้นักเรียนยืนหน่อยไม่ได้ลงโทษนะให้แกง่วงหน่อยอ๋อลูกคนครับลูกคนเหลืออีกประมาณยี่สิบนาที <c oughs> ครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับกับครูครับคนที่สอนหนังสือก็อย่าสอนทีละเล็กทีละน้อยทีละบทนะครับไม่ใช่รวบรัดทีเดียว ทั้งหมดนี้อยู่ในคำว่านัตสละนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับนะก็จะเห็นชัดเวลาเราไปศึกษาอันกราเราก็จะเห็นชัดว่า ah อโลสพาหตลาประทานลงเวลาไปอ่านในตับสีเราก็จะพบว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้เกีย่ยวข้องกับเรื่องนี้อโลสพาหตลาประธานอายะนี้ลงมาเจอปัญหากับพวกยิวเกปัญหากับพวกนอสอรอนะครับอโลสพาหัตลาประทาน อาะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับลงมาเกี่ยวกับพวกยิวบ้างลงมาเกี่ยวกับพวกนาซรอบ้างลงมาเกี่ยวกับพวกมุสลิกบ้างลงมาเกี่ยวกับพวกโรมันบ้างลงมาเกี่ยวกับนะครับหลายหลายเรื่องเข้าใจนะครับคําว่านัซซลัลนัซซลลอัลฟุรกานมาอุฟารกูบัยน์ัลฮักย์วะลบาติล เครื่องจำแนกสิ่งที่จำแนกแยกแยะระหว่างศัจธรรมกับความเท็จอัลลอฮฺบอกว่าอันฟุรก่อนแยกแยะระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสัจธรรมกับความเท็จอะไรบ้างทุกเรื่อง อะไกด้าที่ถูกต้องเป็นยังไงอะไกด้าที่ผิดที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงอันกุรานบอกอะไกด้าที่ถูกต้องคือตา้าหิอะไกด้าที่ไม่ถูกต้องคือชิริกตั้งพักทีกับอัลลอฮฺสลาฮฺตาลาอย่างไงก็ไม่ถูกต้องในความไม่ถูกต้องที่อัลลอฮฺสลาฮฺตาลาได้ประกาศนั้นมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นมีความไม่ดีไม่งามที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องอื่นๆมารายาทที่ดีเป็นยังไง อันกรานบอกนบีสอนมารายาทที่นะที่ไม่ดีเป็นยังไงบอกที่ดีเป็นยังไงบอกแต่งกายที่ดีที่ถูกต้องเป็นยังไงที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงบอกไหมบอกกินที่ดีเป็นยังไงที่ไม่ดีเป็นยังไงบอกไหมบอกพูดที่ดีพูดที่ไม่ดีบอกไหมบอก ทั้งหมดที่อัลกุรอานบอกแยกแยะให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละคือความเป็นอัลฟุรกอและถ้าไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นการทาถ่ายโลกจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันนี้อัลกุรอานยืนหยัดอยู่เหมือนเดิมเช่นประกาศว่าเรื่องเล่าห้ามขรม เรื่องการพนันฮารอมที่มีกระแสว่าจะตั้งบอลคาสิโนโ อ, อะไรขึ้นมาเนี่ยครับยังไงยังไงก็ฮารอมในคำว่าฮารอมของอิสลามในเรื่องต่างๆสิ่งที่ไม่ดีที่อิสลามบอกเนี่ยครับมันส่งผลที่เลวร้ายต่อมนุษย์ต่อสังคมเรื่องซินาส่งผลที่เลวร้ายต่อชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งไหมส่งผลที่เลวร้ายต่อสังคมมีหมมี เรื่องอะไรครับเรื่องทาษอิสลามยกเลิกไปแล้วเอา้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีทุกท่เรื่องเรื่องการแต่งกายแม่คนจะดูในช่วงเวลาหนึ่งอย่าลืมว่าอิสลามไม่ใช่วันนี้เท่านั้นนะครับอิสลามจำไว้ดีนักเรียนนะอิสลามไม่ใช่วันนี้เท่านั้นสิ่งที่อิสลามยืนยันไม่ใช่ยืนยันวันนี้เท่านั้นยืนยันมาแล้วในอดีตยืนยันมาถึงวันนี้ และจะยืนยันต่อไปในอนาคตวันนี้มนุษย์พบเหตุผลบางอย่างว่านี่เรื่องอิสลามนี่ไม่ดีก็ใช่ว่าในอนาคตในอนาคตมันจะยังไม่ดีมนุษย์จะได้เห็นผลของมันเขากินเหล้ากันเต็มบ้านเต็มเมืองเขาบอกว่ามันดีมันอะไรต่างๆแต่ว่าอิสลามยืนยันว่ามันไม่ดีแน่นอนเรื่องเหล้าและเราก็จะเห็นผลของมันที่เกิดขึ้นและอิสลามยืนยันอยู่อย่างนี้ นะครับเรื่องการพนันเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่ามันคือไม่ดียังไงยังไงก็ไม่ดีแม้ว่าจะไปซื้อหวยบางทีมันจะถูกแก้จนได้ถูกหวยเป็นเป็นร้อยรอยล้านกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาเดียวแต่ว่าคนที่ต้องจ่ายสตังค์ไปซื้อหวยเนี่ยเท่าไรที่ลองเอาเคนพวกเอาเงินพวกนี้ไปจ่ายให้กับคนที่คนที่ได้รางวัลตกลงว่ามันอะไรกันแน่ ถูกอยู่แค่ใบสองใบแต่คนซื้อนะ่ะเป็นกี่กี่กี่กี่ล้านเท่าไราล้านที่ซื้ออยู่ขูดรีกเงินของพวกนี้นะครับแล้วก็ไปจ่ายให้กับคนหนึ่งมวดหนึ่งหนึ่งไม่กี่ตังก์เองมันเลยถึงมีกําไรมหาศาลแล้วเอาเงินพวกนี้มาใช้ทำโน่นทำนี่ก็เงินหารอมเห็นไหมมันไปกันเรื่องดอกเบีย้ยอิสลามแม้ว่าธนาคารทั่วโลกใช้ระบบดอกเบีย้ยใช้ระบบดอกเบีย้ย เศรษฐกิจยูเศรษฐกิจอเมริกาเศรษฐกิจทุ ก, America, ก ang, ยอย่างยกกระทั่งมีหลายคนพูดว่าพูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทำธุรกิจใหญ่ๆโดยไม่อาศัยดอกเบี้ยแต่อิสลามยืนขาเดียวยืนยันว่าดอกเบี้ยฮารอมหายนะแน่นอนวันนี้ช่วงเวลานวลาที่ผ่านมาเราได้โลกได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า ระบบดอกเบี้ยได้ทำลายเศรษฐกิจของโลกขนาดไหนก่อนหน้านี้มันเป็นความบังคังหลายคนก็สับสนว่าเอ๊ะรำเรื่องดอกเบี้ยนี่จะอยู่ได้อย่างไรครับเห็น <Beyonce> ไหมครับฟุกคอไปหาว่าอันกราน rain, บอกเรื่องฟุกคอรเรื่องจำแนกแยกแยะอะไรต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไร การแต่งกายอิสลามไม่ได้กําหนดรูปแบบมาว่าต้องต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ว่ากําหนดกรอบของมันว่าต้องปกปิดฮิจาบใช้ไว้ถึงวันเกี่ยมันทําไมไม่ฮิจาบถ้าไมา่ฮิจารบไม่แต่งกายมิชชีนมันเกิดอันญหาอะไรขึ้นปัญหาใหญ่ที่สุดก็ปัญหาศักดิ์ศรีคุณไว้มีความอายของคุณอยู่ที่ไหนคุณตำ ม, มาก ว่าสิ่งที่แก้ผ้าสิ่งที่ไม่ปกปิดเนี่ยมันเดรัจฉานรลอนสวัสดิ์อันตรายมนุษย์ปกปิดร่างกายเนี่ยเป็นสัตว์เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นที่อโลสวัสดิ์สร้างมาให้มนุษย์เนี่เป็นประเสริฐ ส, สูงส่งปปรู้จักปกปิดร่างกายแล้วก็าการปกปิดมันบงบอกถึงคุณค่าว่าสิ่งที่เราปกปิดไว้เนี่ยมันมีคุณค่าสิ่งใดที่เปิดเผยวางท่อตลาดขายบนพุตบาทมันไม่มีคุณค่า แต่ต้องเป็นร้านเพชรประตูที่จะเข้ามียามกล้องวงจรพชรจับไม่รู้กี่ตัวเข้าไปนะครับประตูทางเข้าเนี่ยลำบากมากเลยไม่ได้เปิดแบบนะครับนะเปิดประตูเข้าไปนะครับเป็นชั้นชั้นนะครับแล้วก็ตู้ที่เก็บเพชรนั้นเป็นกระจก เป็นกระจกนิรภัยเขากันกรองเพราะว่าเพชรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่สินค้ามือสองเนี่ยเขาขายตรงไหนครับถ้าไปแถวหานใหญ่ในก็แถวนั้นแหละที่เขาขายกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเาวางขายแถวนั้นแหละในตลาดนัดบนพื้นปูผ้า เ, าเา้าก็วางขายนี่มนุษย์มือสองจำไว้เลยมนุษย์นะมุสลิม่มาที่เปิกเปิ ปก่าครับเปิดเผยสิ่งที่ควรพึงสงวนพึงที่งที่ทพึงปกปิดเนี่ยเป็นมุสลิมามือสองขอประดานโทษมันสมควรที่จะกล่าวความจริงไม่ใช่มือสองละครับมันหลายมือแล้ว ถ้าไม่หลายมือคือหลายตาแล้วเป็น 100, 000, ร้อยพันร้อยร้อยตาดูมาแล้วไปตรงนั้นก็ก็ดูไปตรงนี้ก็กดูนะครับแต่สำหรับมุสลิมานะบอกปิดคนที่ได้มีสิทธิ์ดูคนเดียวคือคนที่แต่งงานกับเขาเป็นคนแรกสุดยอดไหมจะมีประโยชน์อะไรตรงนี้เกิดก็ให้คนอื่นดูมาแล้วตรงนี้มาดูนะนะคนที่ได้ดูชมโฉมเธอเป็นคนแรก คือคนที่ได้แต่งงานกับเธอฮัมดยลิละ่ะและไม่รู้สึกอีกว่าว่าสิ่งนี้ควรสิ่งที่อะไรครับควรจะจบปกปิดตัวเองนี่ครับกำลังจะบอกว่าฟุรกรไงฟุรกรไม่ว่าแฟชั่นมันจะเป็นยังไงเจ้ากระทั่งว่าอยู่ไม่ไหวยืนไม่ไหวเหมือนกับพายุใหญ่กระแส นะครับของค่านิยมในสังคมเนี่ยเหมือนกับพายุที่เรายืนแทบไม่ติดว่าเราจ้องเป็นเหมือนกับเขาแต่อิสลามยืนบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องคุณแต่งกายแบบนี้ตามหลักการอิสลามคือสิ่งที่ถูกต้องคุณยืนต่อไปเพราะว่าไม่ใช่วันนี้เท่านั้นในอนาคตบุคคลก็จะได้เห็นแล้วก็เริ่มเห็นแล้วคนต่างศาสนิกเริ่มที่จะเข้ารับอิสลามและจากการโปการเปรยดาราบางคน นะครับหลายคนที่เคยเคยเป็นนางแบบอย่างมาเลเซียอย่างอะไรต่างๆเป็นนางแบบกับอถ่ายภาพถ่ายภาพนูดด้วยซ้าไปแต่พอเข้ามารับอิสลามทิ้งแล้วมันเป็นเสมือนสิ่งที่เจ็บปวดในชีวิตของเขาแล้วเขาก็ไม่กลับไม่หวนกลับไปสู่สิ่งนั้นอัลฮัมดุลิลละมันไม่พบสิ่งไหนที่อิสลามยืนยันว่ามันคือคุณค่ามันก็จะเป็นคุณค่าตลอดไป ไม่มีวันใดวันหนึ่งวันหนึ่งก็เราอาจจะเห็นว่ามันโอ้มันเกินไปแต่ไม่ใช่วันนี้เท่านั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องในนะครับในเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาอันฟุรกอนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวนะอันฟุรกรแยกแยะทุกเรื่องทุกเรื่องอันไห น, นอิสลามบอกว่าดีคือดี สไนสิ่งที่อิสลามบอกไม่ดีคือไม่ดีนะครับอันฟุรกอนอลาอับดิฮีสบานบัลลอฮอัลลบานตลาอับดิฮคือใครครับบ่าวของพระองค์บ่าวของพระองค์คือใครมุฮัมมัดลลลลอฮอะลัยฮัลลัมต่อการบอกถึงความต่าต้อยของมุฮัมมัดสลลลลอฮอะลัยฮสัลลัมเบื้องหน้าพระพักของอัลลอฮสบานัตอลาเป็นศัพท์ที่อัลลอฮสบานัตลารักมากที่สุด เป็นสัรพ์ที่อัลลฮวตลาให้เกียรติกับมุฮัมมัดลลลลอฮะลิสลการที่อัลลฮวาตลาเรียกมุฮัมมัดว่าเป็นบ่าวนี้เป็นการให้เกียรติกับมุฮัมมัดหมายความว่ามุฮัมมัดลลลลอฮะลิลได้ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นบ่าวของพระองค์อย่างสมบูรณ์แบบถ้าจะให้ครูโรงเรียนใหญ่เหคการเรียกนักเรียนว่าเป็นนักเรียนยาว์คอ อย่างสมศักดิ์ศรีหมายความว่าอะไรที่เายาวคอพยายามที่จะหยิบยื่นให้เธอรับไปโอ้นี่สิลูกสิ์พันแท้พันแท้บาวพันแท้อัลลอฮฺสุลตาเรียกท่านนาบีมูฮัมมัด ส, สลุลตล่านว่าเป็นบาวของพระองค์ทำไม ทุกย่างก้าวของมูฮัมหมัดสลลลอะลัมไม่เคยห่างจากอัลลอฮฺสวาตลไม่เคยลืมอัลลอฮฺสวาตละทุกทุกที่ที่มูฮัมหมัดอยู่ทุกทุกที่ที่มูฮัมหมัดไปทุกทกการงานที่มูฮัมหมัดสลลลฺหัวอะเลสฺลัมทำมูฮัมหมัดสลลลฺหัวอะเลสฺลัมนึกถึงอัลลอฮฺสวาตละตลอดเวลาเราไม่รู้จะได้สักเสี้ยวหรือเปล่า จะกินมฮัมมัดนึกถึงอัลลอ์จะนอนมุฮัมมัดนึกถึงอัลลอ์จะสวมใส่เสื้อผ้ามุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยลมนึกถึงอัลลอ์จะนะสวมรองเท้ามฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยลมนึกถึงอัลลอ์จะถอดรองเท้าจะเข้าห้องน้าจะออกจากห้องน้ำมฮัมมัดจะไปตลาดมฮัมมัดจะพบปากกับผู้คนมฮัมมัดตื่นจะเข้านอนมฮัมมัดจะตื่นนอนมฮัมมัดลลัลฮุอะลัยลมจะทาสงครามมฮัมมัดลลัลฮุอะลัยลมจะอยู่ในมัสยิดมุฮัมมัดสลลัลฮุอะล มูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซลัมจะอยู tamam ่ตรงไหนยามที่มูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซลัมเจ็บป่วยยามที่มูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซลัมไม่มีอาหารจะประทังชีวิตมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซลัมไม่เคยลืมอัลลอฮฺสวาต allah <BLACK> เลยนี่แหละเป็นเหตุที่อัลลอฮฺสวาต allah เรียกมูฮัมมัดว่าอับดุะอาละอับดุฮฺอัลชาดุอัลละอีลาฮออิลลอห์ ว่ ا أ ดอันน์มฮัมหมัดลอับดวะรูลตไลงบูไม่ได้เป็นการลดเกียรติการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮสุัตาลาไม่ได้เป็นการลดเกียรติของเราการที่อ AH ัลลฮตาลาเรียกท่านนบีมอมลลัลลอฮยมาเป็นบ่าวนั้นเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุด ใครบ้างที่จะเป็นบ่าวของอัลลอฮหสัมบฮตลานะครับก็นะลองดูชีวิตของมุฮัมมัดสัลลฺลลอละสลัมอับดในด้านหนึ่งมุฮัมมัดสัลลฺลลอละสลัมเป็นมนุษย์ธรรมดาสามันใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลทรายในพื้นที่ที่ตัดาขาดจากโลกส่วนใหญ่มุฮัมมัดสัลลฺลลอละสลัมไม่ได้เข้าโรงเรียนมุฮัมมัดสัลลลลอละลมอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่เป็นมมัลลลอละสลมไม่มีอาจารย์นะท่านใดที่สอนนอกจากได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมจากนะจากปูยญาตายายึกอยู่ในสังคมนั้นเท่านั้นมมัลลลอละสลมไม่มีความรู้ที่พิเศษวิโสอะไรเลยแต่ด้วยที่อัลลอลาประทานอันฟุรกรลงมาทำให้มุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม เป็นอะไรครับดูคำเลียกูน่าในความหมายแรกเพื่อที่จะให้ทอลัลลอฮสวตาตลประทานนั้นเพื่อกอนลงมาอย่างเบาของพระองค์หมายถึงมุฮัมมัดสลลัล ล, ลอฮอลฮลัมเพื่อที่จะให้เขาให้มุฮัมมัดสลลัล ล, ลอฮอลฮลัมเนี่ยลินอาลามีนอลินอาลามีนมาไว้ก่อนอาลามีนอาลามีนคืออะไรครับ สากลละโลกในตับซีดเก่าจะใช้ว่าอินวันยินส์มนุษย์แล้วก็ยินรวมหมดเลยมนุษย์ชาติทั้งหมดมมหสถโ ล, ลนี่ความเป็นสากลของหลักการอิสลามความยิ่งใหญ่ของมมสหสถโลน ล, ลอสลามไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อชนชาติอันดับเท่านั้น ไม่ได้ส่งมาเพื่อชนชาติหนึ่งชนชาติใดเท่านั้นแต่มหามุสลิมสูกส่งมาลินอาลามินรอห์มัตัลลินอาลามินมนุษยาชาติทั้งหมดจากบาวกลายเป็นมนุษย์ที่เป็นสากลเป็นอะไรครับนารีรอนาีนรอคือเตือนตักเตือนให้กลัวการลงโทษของอัลลอลา มอมัสลลัลลอฮะอาเซลมีสองคำนะครับที่ตรงกันข้ามกันนะครับนารีรอวะบชาชรอนะครับนารีรอวะบชาชรอพูดเตือนพูดแจ้งข่าวดีแล้วก็พูดเตือนสำทับหรือหมายถึงบอกถึงการลงโทษของอัลลอฮฺมาฮตลล ด, ดังนั้นด้วยอันกรานด้วยอันฟุรควน ทำให้มนุษย์ทำให้มุฮัมมัดสลลัลลอฮลอิลมในฐานะที่เป็นมนุษย์ธรรมดามาอนอิลลาัชรุมิสลุกุมท่านนบมีมุฮัมมัดลลัลลอฮลิลมก็ประกาศชัดเจนว่าฉันไม่ใช่เคยื่นใดนอกจากเป็นมนุษย์สามัญเหมือนกับพวกท่านแต่ท่านนบีลลัลลอฮอิลมด้วยว่ายูของอัลลอฮุตลาด้วยอันฟรุรคอเนี่ยอัลลอฮุตลาได้ยกฐานะของท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮลิลมให้เป็นผู้นำ ให้เป็นผู้เตือนมนุษย์เสียชาติทั้งมวลดังนั้นอันฟุทกรอนที่เราบอกเมกื่อกี้ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเท่านั้นถ้าอัลลอฮสวาตัลลาบอกเรื่องเล่าฮารอมก็คือฮารอมสำหรับมนุษย์เสียชาติทั้งหมดมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีสาหรับมุสลิมเท่านั้นแต่ไม่ดีสาหรับมนุษย์ทั้งหมดเช่นเดียวกันกับเรื่องดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันกับเรื่องการกินการดืม่มเช่นเดียวกันกับเรื่องการแต่งกาย ใช้ชีวิตอยู่หรือกฎหมายอื่นๆที่อิสลามได้บัญญัติมันเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดกับมนุษยชาติทั้งหมดและรวมไปถึงยินด้วยยินไม่มีรสูล น, นะครับยินไม่มีดบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซได้รับเกียรติถึงสุดก็คือเป็นรสูลของยินแล้วก็ทั้งของมนุษย์ด้วย นะครับลินอาลามีดังนั้นใครที่ต้องการที่จะเป็นคนที่เป็นสากลคนที่เป็นอินเตอร์โกอินเตอร์นี่อิสลามโกอินเตอร์ตั้งแต่นนท์แล้วตั้งแต่มา ด, ดีนะตั้งแต่มักกีอันตั้งแต่มักกะแล้วโกอินเตอร์แล้วครับมุฮัมมัดโกอินเตอร์แล้วด้วยควาว่าลินอาลามีนี่แหละ ถ้าใครอยากจะโกอินเตอร์อิสลามครับอยู Islam, mm ่อิติอิสลามเข้าใจอ mm ิสลามปฏิบัติตามคําสอนของอ mm ิสลามเราโกอินเตอร์แน่นอน mm hmm. เรื่องภาษาเราอ mm ินเตอร์เพราะประชาชิอิสลามไม่รู้ตะ ก, กี่ภาษา mm hmm. และมุสลิมจะไม่เรียนพี่ภาษาของพี่น้องของเขาหรือ mm hmm. ถ้าพี่น้องเราพูดมาลายูเราจะไม่เรียนภาษามาลายูหรือ mm hmm. ถ้าพี่น้องของเราครึ่งโลก พูดภาษาอังกฤษ เ, เราจะไม่เรียนภาษาอังกฤษบ้างหรืออีกครึ่งโลกพูดภาษาอังกฤษอีกนะส่วนหนึ่งของโลกพูดภาษาอังกฤษเราจะไม่เรียนหรืออันกุรุณาเป็นภาษาอังกฤษเราจะไม่เรียนภาษาอังกฤษอีกหรือในจีนมีมุสลิมเป็นยี่สล้านเราจะไม่เรียนภาษาจีนหรอกหรือในญี่ปุ่นเป็นสนามที่อะไรครับเป็นประเทศที่น่าสนใจที่จะทําการดาว่าเราจะไม่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะได้บอกเรื่องอิสลามกับเขาบ้างหรอกหรือ บานั่ลอนี่คือแรงบันดาลใจคือสิ่งที่จะทําให้เราเป็นคนโกอินเตอร์อาจารย์ไม่ทันแล้วครับพวกเรายัางทันอีกเรียนภาษาจีนมาแล้วอยังครูภาษาจีนเรียนภาษาละนะมาลายูช่วยๆอยู่แล้วนะครับมาลายูภาษาอังกฤษก็ช่วยๆอยู่แล้วเอาไปสักเจ็ดแปดภาษาสิลองดูสิถ้าไม่ได้เจ็ดแปดภาษาคนนี้ไปไปเรียนเมืองจีนย่อคอไปสักคนนี่ไปเมืองจีนไปยัง มีบ้างก็ยังไปจีนอะอ่าไปยุโรปไปอเมริกาสักคนดิไปอังกฤษสักคนนะไปไหนก็ไปไหนไปเยอรมันสักคนที่พูดภาษาเยอรมันก็บอกว่าเยอรมันมีมุสลิมเยอะมากญาติของอน้องของพนรยาแต่ก่อนไปเรียนที่ไปเยอรมันแกอักติมากเลยแกไม่ใช่มุสลิมแต่ก่อนอดีตพรรยาแกอักติกับมุสลิมมากเลยพี่สาวเขรับเข้ารับอิสลามเนี่ยแกไม่ค่อยชอบเลย ปรากฏว่าได้ทุนไเรียนวิญญาเอกที่ที่เยอรมันกลับมาคนละเรื่องเลยครับไปเจอแต่มุสลิมแม้กระทั่งอาจารย์ก็ยังเป็นมุสลิมเลยคนละเรื่องเลยเปลี่ยนทัศนคติเพราะเห็นมุสลิมบ้านเราเนี่ยโอ้ไ oh, อ้แขกนะแต่เป็นมุสลิมแล้วแย่มากเลยออกไปที่โลกข้างนอกนี่แต่ลามเนี่ยครับอาลามีในคำอารามีเรา เป็นคนที่จะเป็นคนอินเตอร์ก่อนคนอื่นดังนั้นนี่คือสิ่งที่นะจะสร้างแรงบันดาลใจสร้างพลังในการขับเคลื่อนนะครับชีวิตของเรานะครับนะสู่การเป็นบ่าวของอลอสมาฮัตตาลาสู่การสแสวงหาบราริกาในอายะนะครับบราริกาที่มาจากอลอสมาฮัตตาลาอันฟรุกรกอนก็ชัดเจนคําว่าตันซินนัสละก็ชัดเจนคําว่าอับนะอับดีฮีก็ชัดเจน แล้วก็คำว่าลินอารามีนนัซีรอที่เราที่สำคัญนาระหน้าที่หนึ่งก็คือเตือนให้กลัวการลงโทษของอัลลอฮฺสวตลความเลวร้ายต่างๆความหายนะที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนคำสั่งสอนของอัลลอฮฺสวหละครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงตอนนี้นะครับอายะนะครับที่หนึ่งของสุลรอฟต์กอนอัลวอสลลัลลอฮวะลามะฮัมัดวะะลาอาลีวะาบ์มอัสลมุอะลัยุมะราะห์มตลลอฮ